ฝึกจับความรู้สึกชวนสวดมนต์ด้วยกันจะทำโดยจักพกันทิบวารินหากญาติไม่ลำบากพอจะแปลงเสียงร่วมสวดมนต์กับคุณได้การสวดมนต์ร่วมกันก็เป็นนโยบายที่ดีอย่างหนึ่งที่เอามาช่วยเชื่อมจิตของคุณกับญาติได้ดีเช่นกัน ขอให้เข้าใจว่าบทสวดแต่ละบทมีความร้อนความเย็นแตกต่างกันบทที่เย็นที่สุดสว่างบริสุทธิ์ที่สุดไม่มีอันใดเกินอิติปิโส ซ, ซึ่งเป็นพุทธพจน์โดยตรงการสวดมนต์บทที่เย็นสนิทเช่นอิติปิโสจะช่วยกระชับสายใยให้เป็นไปในทางเย็นไม่เป็นอื่นจนคุณรู้สึกได้ทั้งระหว่างสวดและหลังสวดยิ่งบ่อยยิ่งหลายรอบยิ่งชัดขึ้นทุกที แต่ถ้าหากเต็มใจนัดแน่ให้มีจุดหมายร่วมกันเช่นต่างฝ่ายต่างจะใช้การสวดมนเพื่อเจริญสติไปในตัวคือจะสวดให้ครบเจ็ดรอบแต่ละรอบจะดูว่าจิตของตนมีความฟุ้งซ่านมากขึ้นหรือน้อยลงกว่ารอบก่อนยิ่งเป็นการกระชับสายใยให้แน่นแฟนขึ้นอีกชั้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการดูความไม่เที่ยงของสภาพจิตที่ฟุ้งซ่านร่วมกัน เท่ากับได้ทำบุญขั้นสูงสุดร่วมกันนั่นคือเจริญสติเห็นความเป็นจิตที่ปรวนแปร ى, ไม่นายึดมั่นถือมั่นร่วมกันพอสวดครบเจ็ดรอบจึงมาเกิดพุทธิปัญญาสว่างแจ้งร่วมกันรู้สึกถึงความเป็นพุทธแท้โปร่งายไร้มวลทินร่วมกันสายใหญ่หรือมิตรภาพจึงเหมือนถูกฟอกให้ไร้มวลทินตามคล้ายเข้าร่วมเขตความปลอดภัยชั้นสูง ระดับเดียวกันนั่นเองถึงตรงนั้นคุณจะรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างเป็นที่พึ่งพิงอาศัยให้กันและกันได้ไม่มีความแปลกหน้าไม่มีความเป็นอื่นซึ่งนั่นก็เป็นเครื่องสะท้อนความเชื่อมกันสนิทของจิตได้เช่นกัน